พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเกิดในแผ่นดินนี้ยังพอมีครูบาอาจารย์ นั่งประจำทีนะ ท, ทุกหลานนักธิรีนะมีอะไรหลงพ่อหลงตาจะพูดอะไรให้ฟังนานทีพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันวันนี้เป็นวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระนะคณะสั า, าญาติยมลูกหลานแรม8ค่ำเดือน6 ตามไม่จริงหลวงพ่อเองจะจะกล่าวเตือนให้คณะทศไทายญาติโยมโลูกหลานอย่างวันพระ8ปดค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยไม่ควรจะลืมวั น, นที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในครั้งพุทธกาลในครั้งกะนู้นน่ะท่านว่าพุทธบริษัทสี่ในวัน8ปดค่ำสิบห้าค่ำควรจะรักษาศีล แต่พวกเรามาสุดท้ายปลายแดนไม่มีวัดหรือว่าห่างไกลวัดหรือว่าเราไม่สบายเจบไข้ได้ป่วยหรือว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปวัดได้แต่ตาเ น, นี่ยเองหลวงพ่อขอแนะนำสมมติว่าอย่างวันพระวันนี้ละเราตื่นนอนแต่เช้ามืดตีสตีสเราก็เข้าไปในห้องพระหรือว่าไ ม, ไม่ในห้องพระก็เป็นที่นอนของตนเองวันนอนนั่นแหละ ที่นอนของเรานั่นแหละนั่งขึ้นั่งคุกเข่าขึ้นมาแล้วก็กราบกราบพุทธโธธรรมโมสังโฆพระพุทธเจ้าอยู่ทุกแห่งหนสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธธรรมะสังฆะอยู่อยู่ในใจของพวกเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะลูกหลานนะถึงจะเราไปกราบพระพุทธรูปก็แต่แต่ใจเราคิดไปนูน่นออกนอกลูนอ ก, นอกทางไปทางอื่นแปลว่าเรายังไม่ถึงพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเราอยู่ณสถานที่ใดก็ตามแต่เราเระลึกถึงในใจของเรากราบถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกล่าบนอบน้อมนโมทัสสะในใจในพ ร, ระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาเรากราบพระอยู่ณสถานที่ใดก็ตามให้กราบพุทธโธธรรมโมสังโฆนิพพานังหลวงปูล่ลาธรรมะแถมนิพพานังด้วยข้าพเจ้ากราบ สครั้งกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระริพานะพุทโธธรมโมสังโกนิพานังจากนั้นเราก็ตั้งนโมนโมตัสสะพระเขาวาโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นก็พุทธังทำมังสังขังสราังกัจฉามิดุติยามปีพุทธังทำมังตาติยามปีพุทธังทำมังสังขังสรานังกัจฉามิ จากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลป์ปาณาติปาตาอธินาธานาเวรมะนีกาเมสุมิสาจาราเวรมณีมุสาวาธาเวรมณีสุราเมระยะบัชปมาทธานาเวรมณนีสิกขาประทังสมาธิยาเมจากนั้นเราก็ตั้งจิจธิอธิฐานว่าอิมานิปัญจะสิกขาประทานิสมมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาประทานิสัมาทิยามิ ให้แค่ว่าตั้งจิตอธิษฐานสินห้าเนี่ยปัญจสิขาเีอิมานิปัญจสิขาประธานิสะมานคือสมาทานศินห้านีนี่แหละให้ให้สมาทานศินห้าสมาสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศินห้าเพียงแค่นี่เป็นสินนะนะจะทายาทโยมลูกหลานนี่ยไม่ต้องมารับกับพระนะถ้าเรามีความจําเป็นนะแต่ถ้าไม่ถ้าไม่มีความจําเป็นก็อเอามาถึงพระก็รับกับพระ นะถ้าวันไหนถ้าเราอยู่ต้บ้านตามลำพังให้สมาทานศีลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะอันดับแรกก็คือนโมตสระข้าพเจ้าขอนอบนบ้นมเดพระผู้มีพระภาครหันตสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นนโมนะนั้นก็พุทธทังทำมังสังขังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรณะนะเป็นที่เพ่ง ดูตียามปีขอยืนยันเป็นครั้งที่สองข้าเพเจ้าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตาตียามปีข้าเพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สามข้าเพเจ้าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะยืนยันถึงสามครั้งจังหวัดตติตาติกนะจากนันกข่ากล่าวเป็นองค์สิลจากนันกข่ากล่าวสมาทานศิ่เลยเถิสมาธิยามินี่แหละ เพียงแค่นี้เป็นศีล น, น, นะนะคณะสัตย า, าติโยไม่ต้องรับกับพระถ้ามีถ้ามีความจำเป็นมาไม่ไดนะ้ถ้ามาเรามาได้ก็ไม่เป็นไรมารับกับพระให้พระเป็นสักขีพยานให้เราอีกรอบนึงนี่แะสรุปแล้วก็คือไม่ลูกพ่อเองไม่อยากจะให้สัตย า, าติโยพุทธบริษัททั้งหลายละเลยหรือว่าห่างเหินคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจนเกินไป ควรจะทําให้เป็นตัวอย่างของลูกของหลานในบ้านเรือนของเราพอทําเสร็จแล้วเราก็บอกให้ลูกให้หลานฟังว่าเออลูกหลานในวันนี้แม่เนีนพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรักษาศนนะีลห้านะรักษาศีลอุโบสถเนอะร์ได้สมาทานแล้วได้สมาทานเมื่อเช้านี่แหละสมาธิยามิขอสมาทานศีลห้าหรือศีลอุโบสถศีล น, นี่แหละเพียงแค่นี้ก็เป็ น, น, นะนศีลนะนะนรสตธา ญ, ญาตโยมทุกๆท่านนะ พระนเรนไหพวกเราทุกทุกท่านอย่าห่างเหินวัดวาศาสนาห่างเหินครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อไปเห็นประเทศอินโดนีเซียเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่16บหลวงพ่อไป10วันไปเห็นพี่น้องชาวอินโดนแล้วโอขาดขาดครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้นำํำไปเห็นแลขาดผู้นำํำพอไปเห็นน่นคงจะเป็นอุปนิสัยเก่าแก่ ที่สร้างบุโลพุฑทโทบังสร้างพระเจดีย์ต่างๆเอาไว้ในพระพุทธศาสน า, อาพอเห็นพระสงฆ์เห็นอย่างรลวพ่อพระไปอย่างรูวพ่อไปโอ้เหมือนกับเห็นพี่น้องเก่ามาเยี่ยมเยียนลักษณะอย่างั้นะดีอกดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสใสบาด ท, ทั้งที่ไม่รู้ภาษากันภาษาไม่รู้งั้นแต่พอเห็นหน้าโอ้ดีอกดีใจยิ้มแย้มแจ่มใส ตัดบาด ท, ทั้งอยากจะพูดด้วยจะพูดไปรูปภาษาหนะลวงพ่อเห็นแล้วก็เออเ อ, อ, อบอุ่นคล้ายๆก็ว่า เ, ออเป็นญาติธรรมในอดีตชาติออมาเกิดได้มาพบมาเจอกันออลูกหลานลูกพ่อก็มีแต่ว่าออสุขโขสุขโขสุขโขเนะลูกหลานนะเน อ, อสุขโขก็มีความสุขกายสุขใจนะนะัออ่นน่ะไม่ให้พรเขานะสุขโขเขาพอจะรู้จักพวกเขา ได้เรียนภาษาบาลีอยู่สุโ ข, ขสุโขเนอะลูกลนนะหลานเนอร์นะหลวงพ่อกขบแนะนำบอกกล่าวจากนั้นก็ได้แสดงธรรมให้เขาฟังแต่พูดภาษาภาษาเขาไม่ไรก็มีพระที่ท่านไปอยู่ที่อินโดนีเซียนานนะถ้า แ, แปลให้ฟังถ้าพวกพวกเราเห็นติดตามเฟซของหลวงพ่อนะที่ไปอินโดนีเซียนะคงจะ ได้ฟังบัลลปพ่อพูดอะไรแต่โอ้เหนื่อยนะลูกหลานนะเทศสองขยักนี่เหนื่อยมากเลยทําไมจึงว่าเหมื่อยพอพอพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่พูดต่อเนื่องถ้าพูดต่อเนื่องพูดพูดพูดไปแล้วก็จบเออมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่พอพูดพูดพูดไปแล้วจนจบเอแล้วก็ตั้งความคิดว่าจะทํำยังไงมันจะสืบเนื่องหรือว่าต่อเนื่องกับที่พูดมาแล้วน่ะเออ มันจะจะทำยังไงจริงจอดต่อเนื่องกันเป็นเรื่องเดียวกันนะพอพอเขาแปลเสร็จแล้วก็เติบอีกต่อ เ, อ, กตอเนื่องไป อ, อีกแล้วก็ตั้งท่าเอกโอเหนื่อยนะสรุปแล้วก็คือทางวาดเทศสามสิบนาทีเนี่ยคนนั้นแปลอีกสามสิบนาทีสรุปแล้วก็คือชั่วโมงหนึ่งถ้าหางวัชดชกสามสินาทีบางทีล่วงพูดเรื่องจิตตภาวนานี่นะ พูดธุรกิจตาภาวนามันไม่จบไม่ไม่จบม้วนเลยพูด30นาทีไม่จบมว้วน อ, อย่างน้อยต้องอธิบายให้ฟังว่าพิธีการทําทำํทำยังไงเดินสมาธิยังไงเดิ น, งงดนปัญญาอย่างไรแต่ฉันว่าต้องชั่โมงหนึ่งอพอเทศถึงชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นแหละไอะ้พวกที่หลวงพ่อ ก, ก็เทศเทศชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมแปลอดัอดอัดน ะ, ะแปลอีกชั่วโมงหนึ่งแต่พอจบแล้วสองชั่วโมงเลแต่ก็นับวันดีนะ เขาไม่ขยับขยื่นนะนะสรุปแล้วก็คือเออเขาขาดธรรมะหิวธรรมะไอ้ค่าว่าขาดครูบาอาจารย์เนะ่ยเพราะนั้นพวกเราผมพ่อเองมานึกถึงย้อนถึงมาเมืองไทยของเราเนี่ยโอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเรานับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากแต่ว่าการโชคดีของเราเนี่บางทีพวกเราก็ห่างเหินปล่อยปะละเลยเหมือนกันได้ เพชรนินจินดาอยู่ใกล้ๆก็ตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษานําเพชรนินจินดาเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนเองเออนี่แหละถ้าหากว่าเพชรนินจินดาห่างไปแล้วน่ะทีนี้เราจึงมาโอ้อ่าวเอออทํำไม่อยากองคงหลงตามหาบัวของเราก็เหมือนกันออบางท่านเวลาเราจะเข้าไปก็มีเวลานั้นติดเวลานี้ กลัวท่านรู้บ้างเราไม่ได้ทำไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปฟังธรรมะของท่านนะแต่พอท่านจุตินิธิพานไปแล้วเนี่ยพวกเรามาคิดโอ้เอาที่หลังโอ้ตายเราไม่น่าจะห่างเหินท่านจนเกินไปเราน่าจะเข้าไปใกล้ท่านเพืศึกษากับท่าน ไ, ไปทําบุญทําทานกับท่านพอท่านได้ร่วงลับไปแล้วเราจึงมาคิดได้รับสำนึกได้แก่สายไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะ ทั้งหลายทั้งปวงนี่ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถึงยังไงก็จะให้พวกเราห่างเหินจากคุณธรรมศีลธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวถึงจะไม่ได้ไปวัดก็เถอะอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็นํานมาประพฤติปฏิบัติได้ผลยังไงมีผลยังไงขาดข้องจิตใจยังไงครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติยังมีอยู่ในเดี๋ยวนี้นะ ให้เราไปเขาไปถามไทยท่านก็พอได้นะแต่อินโดนเซียเนะี่ยหลวงพ่อไปเห็นแล้วโอ้บางครั้งนะ่ยเขาภาวนาติดขัดเขามาถึงเมืองไทยเลยนะมาถึงเมืองไทยมาถามมาถามมาถามหลวงพอนะ่พอเลยเพราะว่าภาวนาไปแล้วจิตสงบพอจิตสงบแล้วคอพับไปเลยเหมือนกับคนตายนะเหมือนกับคนตายไม่รู้สึกตัวเลยจนเขาเอาห้องเอาเข้าห้อง ICU นะ สองสมครั้งจากนั้นเจ้าตัวก็เข็ดเลยกลัวตายท่นี่อ่น่นหลวงพ่ออธิบายให้ฟังต่อไปนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะนี่หลวงพ่ออธิบายเพราะได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์และท่านแนแนวท่านบอกกล่าวให้ฟังแล้วจิตประเภทนั้นมันเป็นยังไงอารมณ์ประเภทนั้นมันเป็นยังไงจิต เ, เข้าสู่ความสงบประเภทนั้นมันเป็นยังไงจิตที่สงนอกมันเป็นยังไง เพราะเราได้ศึกษาได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเรารู้แนวทางไนงะเพราะนั้นเราฟังดูแล้วอู้ใช่อันนี้เจ็กสรงจิตออกนอกนี่นะเออตั้งแต่นั่นนะ่ะตั้งแต่หลวงพ่อเหยียบพื้นแผ่นดินอินโดนีเซียนะนโยมผู้หญิงคนนี้นะอายุประมาณชักห้าสิบกว่ากว่านี่วติดตามหลวงพ่อตลอดเลยทั้งสิบวันเลยเออ ไ, ไปฟังนะนั่ น, น, นะสรุปแล้วก็คือ <c oughs> เขาห่างเหินหิวธรรมะนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราคศะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยของเราเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอย่างอุรมสมบูรณ์ปฏิรูปรเทสวาโซจะอยู่ในประเทศอันสมควรคือประเทศที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพระสอง์องค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีพร้อมะปฏิรูปรเทสวาโซจะปุเพจ ก, กะตะุญญาตา พวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตชาตินะออพอทําบุญอย่างวันนี้ละออพอทำบุญเสร็จแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานสาโนเนอข้าพเจ้ายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารยังไม่ถึงแดนพระนิพพานขอขอให้ไปเกิดใน ด, ดินแดนพระพุทธศาสนาให้ได้ทําบุญทําทานให้ได้บำเพ็ญกุศลต่อนะเนอร์จะให้ข้าพเจ้าหลงโลกหลงทางเนอะรยังให้ข้าพเจ้าได้ตกตนะ่ําเนอร์ตั้งจิตอธิษฐานในใจ เพราะนั่นเราพวกเราเจนได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยเด่นที่สมบูรณ์ที่สุดนะเรียกว่ า, าปฏิรูประเทวสวะโซจักนะเพราะว่าปุบเพจักนะปุบเพจนะักแต่้ๆพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในอดีตชาตินะจนได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะปุบเพจักตะปุญญาตานัตตะสัมมาปณิธิเออคล้ายๆว่าเมื่อเรามาเกิดแล้วเนะี่ยพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ประมาทคราวนี้คืออะไรพอเกิดขึ้นมาแล้วก่อนนะยุ่งตรงนั้นยากตรงนี้ทํามาหาเลี้ยงชีพตรงนั้นตรงนี้จนห่างเหินธรรมะเข้าสู่จิตใจไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติแปลว่ามุ่งหวังไปทางโลกจะมากกว่านะี่มิถะรรมาค่าขายมิถะแสวงหาทางโลกมากกว่านะอันนี้แปลว่าอัตตะสมาปณิธิตตั้งตนไว้ไม่ชอบนะถ้าตั้งตนไว้ชอบก็อย่างนี้ยพอมานะอแล้วอแบ่งเวลา การทํางานก็นส่วนหนึ่งการเข้ามาสู่วัดวาศาสนาก็ส่วนหนึ่งการปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาก็ส่วนหนึ่งต้องแบ่งเวลาฮะอันนี้แปลว่าเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบนะถ้าตรงตั้งตนไว้ชอบมันทุ่มเทจะทั้งโลกทั้งหมดว่าตัวเองฉลาดนะหาเงินได้เป็นหมื่นเป็นแสนเออเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านนะพอได้มาแล้วเนี่ยพอถึงคราวตัวเองตายแลย้ว ล้างมือทั้งหมดแบมือทั้งหมดเอาไป้วดไม่ได้สักอย่างนะนี่แหละอันนี้คือเราทุ่มเทไปทางโลกมากเกินไปแต่ควรจะแบ่งเวลาเข้ามาสู่ธรรมะด้วยแต่ธรรมะธรรมะคานี้นะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะแบ่งสมบัติเข้ามาในพุทธาศาสน า, าไม่ใช่เราแบ่งให้การว่ามีเวลาปฏิบัติไหว้พระแล้วก็นั่งอยู่ในห้องพระนังะ่งภาวนาพุทโธพุทโธอย่างน้อยวันหนึ่งได้ไหมหนึ่งชั่วโมง นี่แหละแบ่งเวลา24ชั่วโมงเน่ยเข้ามาสู่ธรรมะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นทางโลกซะ23ามชั่วโมงฮะนี่แหละเราแบ่งอย่างนั้นได้ไหมไม่ใช่จะแบ่งเงินแบ่งคำทรัพย์สมบัติเข้ามาวัดจิตใจนะหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงกับปัจจัยสี่กับธรรมดาเรามีเงินมีธรรมกับทรัพย์สมบัติก็แบ่งใช้แบ่งขว้าแบ่งหน้าแบ่งนั่งแบ่งกินแบ่งทานอันเป็นอนิสงค์ของเราพวกเหมือนกัน แต่ว่าการเน้นหนักจริงๆคือตั้งอยในความไม่ประมาทจุดนั้ น, นคืออะไรคือให้พวกเราภาวนานี่นี่แหละพวกเราอยู่ในอัตตะสมมาปฏิทินี่แหละให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบอย่างนี้ตรวงพ่อว่าอนาคตของพวกเราจะไปได้ดีเพราะหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะให้พิสูจน์ได้เลยนะ และก็พร้อมกันวันนี้เป็นวันสตาร์ทเครื่องนะวันพรุ่งนี้เป็นวันทำบุญวันอาทิตย์จุดท้ายของเดือนพฤษภาฯนะให้พวกเราคณะทตาหยาดโยมทุกท่านเนได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยสวนแสงธรรมแห่งนี้เป็นวันทำบุญจุดท้ายแต่หลวงพ่อลงมาคราวนี้ก่อนเนี่ยเห็นว่าพี่ๆน้องๆครูบาอาจารย์ไม่ค่อยอยู่ไปต่างประเทศก็มีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้มามาถูจุดนี้ และก็พร้อมกันอย่าลืมอีกวันที่30เป็นวันทําบุญเปิดโลกธาตุที่วัดป่าบ้านตาดนะคณับนักทา ญ, ญาติโยมถ้าว่าผู้ใดจะไปก็ไม่ต้องห่วงทางนี้ก็ได้ไม่ต้องห่วงสวนแสงธรรมไปเลยไปที่วัดป่าบ้านตาดเพราะว่าเป็นบ้านเกิดบ้านปู่บ้านทวดของพวกเราบ้านองค์หลวงตาท่านท่านทําบุญให้โยมมารดาของท่านนะทำบุญเปิดโลกธาตุ คือโยมบรรดาของท่านมรณะภาพลงไปจากนั้นท่านก็เออน่าจะทำบุญพอทำบุญปีสองสาปีแต่เออน่าจะทาบุญรวมทั้งหมด เ, ออเปิดโลกธาตุท่านว่าออทั้งอินทั้งพรมทั้งเทวบุตรเท ว, วดาทุกชั้นทุกภูมออิผู้ที่จะมาทำบุญร่วมกับมาทำบุญในวันเดือนวันที่30ิพฤษภา ท่านก็เลยยกเป็นวันที่30สิบพุทภาเป็นวันทําบุญเปิดโลกธาตุหลายปีก่อนที่องค์ลงสายจะจุตินิพพ า, านเพราะนั้นคณะรัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนเนอะกล้าว่าผู้ใดอยากจะขึ้นไปทําบุญวันที่สามสิบขึ้นไปได้แต่วันที่ยี่สิบเก้าของเราในก่อนเนี่ยทำบุญสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภ า, าการทําบุญพรานั้นการทําบุญทําทานนก่อนเป็นการนำํำ เป็นการฝากเงินเข้าธนาคารนะลูกหลานนะเพื่อเก็บกินเก็บกินในอนาคตนะถ้าเรายังไม่พ้นทุกถ้าเราพ้นทุกซะหมดกิเลสจะไม่มีปัญหาไม่ต้องฝากก็ได้เพราะเป็นเศรษฐีไปที่ไหนเขากเกษตรีไปอยู่ที่ไหนจับสมบัติเต็มบริบูรณ์แล้วนะคือเศรษฐีนะแต่พวกเราเนี่ยยังไม่ถึงเศรษฐนะีเนี่ยเราก็ควรจะฝาก เ, เงินเข้าธนาคารบ้าง เก็บไว้เพื่อกินในอนาคตอันในสงศิณอันในสงทานเหล่านี้นะจะเป็นเครื่องเครือกูลหนุนที่เราจะเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารถ้ายังไม่ถึงพันิพาณ น, นะเราจะต้องเวียนไหวตายเกิดนะอันในสงบุญอันในสงทานศิลภาวนานี่ยนะจะเป็นเครื่องเครือกูลหนุนพวกเราเพระนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเนอเกิดมาเป็นมนุษย์ในพบภพพุทธศาสนาในพบภพ พระพุทธเจ้าในพพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาของเราที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรในธรรมเทศนาของท่านที่กลางคืนมาบางทีก็ต้กฟังได้จากสถานีวิทยุหรืออย่างน้อยก่อน็สกระเปิดฟังอย่าให้ห่างเหินจนเกินไปไม่ใช่ว่า MP3 สของหลวงตาทิมกองพเพลินแต่สมัยหลวงตาอยู่กตึกกระตือลือล้น ศรัทธาในองค์หลวงตาพ่อหลวงตาจากไปแล้วก็นนะัไม่ได้สนใจธรรมะของท่านปล่อยปะลนะเลยทิ้งกลื่อนไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อว่านนะถึงยังไงลุงหลวงตาจติพิเนธนิธิพานเลยคำสอนของท่านอจึงอยู่ในในหัวใจของพวกเราพวกเราน่าจะนํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเรามันจึงจะถูกนะอไม่ใช่บ่าหาเหินครูบาอาจารย์แล้วก็เป็น ทำปล่อยปาแล้วเลยหล่อเลาะแลร่แร่กิเลสครอบงาหัวใจจ้ะมันก็ไม่น่าจะถูกเพราะฉนั้นเราต้องเข้มแข็งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสอนอย่างไรดวงตาสนอย่างไรในเรื่องนี้นะเราจําได้อยู่เราจะทําให้ดีที่สุดดีกว่าที่องค์ดวงตาแนะนําสั่งสอนเสียอีกอย่างนั้นเป็นจึงจะถูกนะหลวงพ่อว่านะ น, ะนะรับพรนัตินีเน่าอนุสวงอนุโมทนาให้พร